ก็คิดาหาทางช่วยเหลือชิน้ปรุงอยากขึ้นให้ชาว บ, บ้านใช้รักษาตัวตามที่ตำ ร, กกรากล่าวว่ามีพระพุท ธ, ธาุญาตและให้ภิกษุผู้อาพาธใช้ได้คื อ, อยาดองน้ำมูดเนา่าชิ่นลปู่บันทึกตำรับยาไว้ว่ายาดองอย่างดีเยี่ยวัวดำหามูดเนา่าของรพระพุทธเจ้ า, จามีอยู่ในบุปผสิกขาเป็นอนุสาซึ่งพระอุปัชาให้แก่กุลบุตรที่บวชใหม่ เป็นยาที่สำคัญมีชื่อเสียงอย่างดีโดยไม่แพ้กับยารัฐบาลตามรัาต่างๆหมักขามป้อมหนึ่งสมอหนึ่งกระชายหนึ่งข่าหนึ่งขิงหนึ่งระเทียมหนึ่งเขาหอกหนึ่งเดือบระเพ็ดพริกไทยหนึ่งตะไคร้หนึ่งเกลือหนึ่งน้ำผึ้งหนึ่งว่านภายหนึ่งใบมะกรูดหนึ่งใบมะนาวหนึ่งผักหนอกหรือใบโบบกหนึ่ง ผักอีเลิรหรือใบชะพลูหนึ่งดีปรีหนึ่งใบมะขามหนึ่งเยี่ยวัวดำต้มเสียก่อนใบสะเดาใส่บ้างนิดหน่อยใบยส่องฟ้าทั้งรากใบใบแบ่งลักษใบกัะเพราพิกใหญ่ธรรมดาเยี่ยวัวดำเป็นอันขาดไม่ได้เป็นโอถสสำคัญเมื่อทีเดียวแก้โรคเบาหวานทาที่จังหวัดชันทบุรีผ่านมาครั้งหนึ่ง บ้านเผือตำบลนานในถ้ำโพลงา ม, ามทำข้าวนั้นมีชื่อเสียงดังมากวัดป่าจังหวัดปสุมธานีก็ทำเหมือนกันกินข้าวอริดอร่อยมากกินแล้วใครๆก็ติดใจอุบาสกบัสกาทั้งหลายได้ดำเนินมาแล้วได้ผ่านมาแล้วตั้งหลายปีดังนี้เห็นนั้นส่งทุกครั้งเป็นยาประมัดของพระพุทธเจ้าโดยแท้เป็นยาในพระพุทธอ ง, งค์ตรัสดาโดยตรง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 และพวกเขาเป็นชาวประมงทํารับมิมนเพื่อให้อวาสพวกเขาได้ทําบุญบ้างหลวง ป, ปู่เป็นผู้ที่มีความอดทนในการเทศนาสั่งสอน น, ส น, นําสวดมนต์ว่ายพระและปฏิบัติภาวนาม้เวลาที่ท่านอาพาธ เ, เหนื่อยอย่างไรก็ตามสมกับที่ท่านได้บันทึกไว้ว่าเราได้สลัดชีวิตให้ญาติโยมมาดูดกิเลือดเนื้อของเราดังนั้นในช่วงเวลาที่หลวงปู่ มีอายุถึง87ปีแล้วท่านก็ยังแสดงธรรมเทศนาทุกวันเพื่ออบรมพระเนนและผู้มีศรัทธาความเมตตาของหลวงปู่มีเต็มเปี่ยมอยู่เสมอเจนวันสุดท้ายแห่งชีวิตแม้าธาตุขันอาพาธหนักแล้วท่านก็ยังคงให้การอบรมเป็นปกติกระทั่งจนถึงเวลาสุดท้ายท่านก็ยังเมตตาต่อพระเนนที่ปฏิบัติใกล้ชิดท่านที่อาจ คลางเผอทางกายวาจาใจไปบ้างหากไ้นได้มีการขอโอโหสิกรรมก็จะเป็นบาปติดตามพระเนตรเหล่านั้นไปองค์ท่านนั้นไม่มีบาปไม่มีบุญที่จะต้องคานึงถึงแล้วจึงไม่จําเป็นต้องโอโหสิกรรมแต่ท่านก็กล่าวโอโหสิกรรมเสียทั้งสองฝ่ายเผื่อไว้ให้สำหรับทะเนตด้วยนั่นเป็นความกรุณาอย่างลึกซึ้งยิ่ง ของหลวงปู่การละสังขารพุทธศักราช2532หลวงปู่จำปัญษาที่65ซึ่งเป็นปัญจาสุดท้ายที่ที่พักสงต่อมอ .27 แต่พอปรรษาก็กลับไปพักที่ที่พักสงหัวหินจนถึงวันอาทิตย์ที่24ธันวาคม2532 อาการโรคหัวใจของหลวงปู่ก็กำเริบตั้งแต่เช้าและรบกวนธาตุขันของท่านเป็นระยะๆะะแต่ด้วยขันติธรรมและเมตตาธรรมของหลวงปู่ท่านได้บำเพ็ญจิตตามาพระวินัยและขนบประเพณีโดยครบถ้วนคือในตอนเช้าก็ได้ให้พระเนรทั้งหมดขอนิสัยและอารมณ์จิตตัภาวนาก่อนจังหันก็ยังคงนำไหวพระทำวัดให้ญาติโยม ับพาไตสรณคมรับศีนอุโบสถและแสดงธรรมโปรดญาติโยมตามปกติทั้งยังได้บอกรายญาติโยมไว้เป็นในไหนด้วยเวลาประมาณ22นาฬิกาหลวงปูกขอแสดงอาบัตและแสดงบริสุทธิ์ในท่ามกลางสงแล้วปรารภธรรมในเรื่องการทำจิตว่าการภาวนาหรือทำจิตให้ดวลการของจิตก่อนตายอย่ไปตามดุลการของเวทนา ให้ดูจิตอย่างเดียวเอาจิตอย่างเดียวเวลาชาติตีรลางกาเปลี่ยนพบจิตออกจากร่างพจิจารณาตามจิตจะเห็นว่าจิตจะออกจากร่างอย่างไรไปอย่างไรจิตจะเข้าเข้าออกออกอย่างไรมืดๆสว่างๆอย่างไรจิตจะเข้าเข้าออกออกมืดๆสว่างๆอย่างนั้นเหนื่อยหอบมากกําหนดตามจิตคืนในในัการของจิตชัด ถ้าเอาไม่ทันก็ไปเลยแล้วย้ำว่าอย่าไปตามดูอาการของเวทนาให้ดูจิตยอย่างเดียวในขณะสุดท้ายเมื่อคณะสงฆ์ผู้เป็นศิษย์อ้อนวอนขอโอกาสให้ท่านประมงพยาบาลได้แล้วก่อนขึ้นรถท่านก็ยังขอโอโหสิกรรมตอบรับพิสุทธสัมเนนผู้ปฏิบัติอุปถากและสติเป็นปชิม โ, มโอวาสความวาขอเร่งทาความเพียรทุกๆคน ที่อยู่ร่วมกันสามัคคีกันกลมเกลียวกันครันร่วงเข้าสู่วันจันทร์ที่สิบห้าธันวาคม2532มได้ส3สานาทีหึงปูกก่ก็ลาหลับดับขันโดยสิ้นเชิงปนรถพยาบาลที่โรงพยาบาลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เริรวมอายุของคุนหลวงได้แปเจดปีสิบเดือน14ี่วันพันษา 65จากโรงพยาบาลหัวหินให้เชิญร่างขอนงปู่มาตั้งนาะที่พักสงก่อหมอ27ทรงพระกรุณาปรดกล้าวให้ปรดกระหม่อมพระสถานน้ำสงจบพระสถานหีบทองทึบพร้อมด้วยเครื่องเกีตรดยศประกอบศพและจัดการศพอยู่ในพระบรมบราชานุเคราะห์โดยตลอดมีพระพิธีธรรมส่วนพระพิธีธรรมเวลากลางคืน กำหนดเจคืนวันรุ่งขึ้นสำเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสำเด็จพระบรมโอรส า, าธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดําเนินไปในการเสวพระพิธีรรมศพของหลวงปู่นาะที่พักสงศ์มม27ถนนพหลโยธินตําบลคูคดอาํกกาเภอลานุกาจังหวัดสทุมธานีวันอาทิตย์ที่3 1มสธันวาคม2532 สรบัทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระรากุศลเจ็ดวันพรทอดสกานศพหลวงปูนะ่ณาที่พักสงกรามอยี่เจ็ดถนนผลโยธินอำเภอลาลูกกาจังหวัดปทุมธานีต่อมาให้เคลื่อนศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่ตึกติสสะมหาเถระวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่สิบเจ็ดมกราคม 2,533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดําเนินไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศลจบหลวงปู่ที่วัดภระีมหาธาตุวรมหาวิหารครั้นวันที่13กุมภาพันธ์ 2,533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดําเนินไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ห้าสิบวันแล่พระเา้าทานศพหลวงปู่ณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารวันที่เจ็ดเมษายนสองพันห้า้อยาสิบสาทรงพระกรุณาโปรดพระเา้ทานพระบระมราชานุเคราะห์ให้พระชจ้าธธานเพิมศพเวล า, า, าสิบนาฬกาบัมเพลพระสกุศลพระเา้ทานในการออกเมนเวลาสิบหกนาฬกาสามสิบนาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงซึ่งได้พระาราชทานพระมหากรุณาธิคุณประทับอยู่ในงานจนถึงเวลาประมาณชั่วโมนึงสามสิบนาทีซึ่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับในงานนี้ได้ทรงพระกรุณากรดกล้าประกรมอมให้พิมพ์หนังสือ จันทสาโรบูชาเพื่อพระชถานเป็นอนุสรณ์ดังปรากฏความในหน้าแรกขอหนังสือพระสถานนั้นว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชปรรมนา่ประพิตรและสมเด็จพระนงางเจ้ากิริกิตพระบระมราชินีนาถทรงพระอนุสรณ์คำเนึ่งถึงพระอาจารย์หลุยจันทสาโรซึ่งถึงแก่มรณภาพลงเมื่อวันที่25ธันวาคม พุทธศักราช2532และได้ทรงบำเพ็ญราชกุศลพระราชทานฝ่าวิปัสนาภุระที่เจริญด้วยสำนักคุณบริบูรณ์ด้วยศิลาจรวัรยินดีในวิเวกสุขภานำโรงม่านในวิเวการมณ์นิจการทั้งเป็นผู้รอบรู้แสกฉานในศาสน ก, กิจเป็นกะะนนัลยาณมิตรของศัตรูมิกและเป็นขรุ อานาบุคคลของศิษยบริวานซึ่งเป็นเหตุให้ทรงพระช า, าัิาประสาธาได้ยกย่องนับถือบัดนี้ถึงข่าวที่จะพระช า, านเทินศกเป็นปัจฉิมมะวาระแห่งการพระชกุศลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดจินหนังสือชื่อจันทส า, าโรบูชาขึ้นพระช า, านทะนุศรและเผยแ ร, ร่กิตคุณ อีกโสดหนึ่งหนังสือจันทสาโรบูชาเป็นหนังสือที่รวบรวมจารธรรมต่างๆอันเกี่ยวเนื่องด้วยพระจันหลุยจันทสาโรหลายประการอาทิชีวประวัติและปฏิปทาพระธรรมเทศนาทานแห่งธรรมและอาจารยธรรมทรงพระราชะอุทิศสุขผลอันจะพึงเกิด มีแต่พิทยธานีแด่พระอาจารย์หลุยจันทสาโรและแก่ชนทั้งหลายที่ได้อ่านแล้วนำไปพิจารณาปฏิบัติตามกำลังศรัทธาของตนเพื่อเกิดความเจริญความภาสุขยิ่งขึ้นไปในชีวิตพรทะรำหนักจิตละดาวโหวทฐานวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2533 สําเร็จงานพระราชทานเพลิงศพแล้วได้พระราานอธิชาตขนลุงปู่ให้คณะติดเชิญไปรรประดุษฐานก็เป็นการชูกล่าวหน้าที่พระสงค์ก่ม 27, อมอ27่หลอกการสร้างเจดีเพื่อประจุปเป็นการถาวรต่อไปซึ่งท่านราชเลสขานธิการได้มีหนังสือนมัส ก, การมายัางประธานคณะกรรมการดำเนิน ง, งานศบคนลุงปู่อันเชิญพระจักรเสเกี่ยวกับ การนำอธิษฐานหลงปู่บรรจุไว้ในพระเจดีว่าควรสร้างเจดีที่วัดป่าอิทธาวาสอำเภอเมืองสกนงลนครประวัตินี้มีอธิษฐานของท่าพระอาจารย์มั่นท่านจะได้อยู่ใกล้กันและต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดปรานโปรดกระมอ่อมพระราชทานภาพร่างสีประหัสให้เป็นต้นแบบในการสร้างพระเจดีหลวงปู่หลุย จันทสาโรเป็นเจดีย์ที่มีลักษณะเรียบง่ายและได้สัสดส่วนงดงามตรงตรามที่ลุปู่เคยป่าเราไว้ว่าถ้าลูกศิษย์จะสร้างเจดีย์ของท่านก็ให้สร้างเป็นลักษณะเช่นนี้พาดวรมหาวิหารครั้นวันที่13ากุมภาพันธ์สอพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จ พระเชดำเนินไปชงบำเพ็ญพระชกุศล50วันแด่พระเจ้าานศพหลวงปู่นวัดพระศีมหาธาตุวรมหาวิหารวันที่7เมษายน2533ทรงพระกรุณาโปรดพระเจ้าทานพระบรมราชานุเคราะห์ให้พระชจ้าทานเริมศพเวลา 10.30 นบำเพ็ญพระชกุศลพระเจ้าทานในการออกเมรุเวลา 16.30 น บาสมเด็จพระเาชอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรส า, าธิราชสยากมากุราชกุมารเสด็จพระาราชดเนินไปพระราชทานเพลิงซึ่งได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณประทับอยู่ในงานจนถึงเวลาประมาณชั่วนาฬิกาสานาทีจึงเสด็จพระาราชดำเนินกลับในงานนี้ได้ทรงพระกรุณาโ ป, ปรดกล้าประกระหม่อมให้พิมพ์หนังสือ จันทสาโรบูชาเพื่อพระสท า, านเป็นอนุส์แดังปารากฏความในหน้าแรกของหนังสือพระสท า, านนั้นว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้สมเดทท็จพระนางจากสิริกิตพระบรมราชนีนาถทรงพระอนุสรคำหนึ่งถึงพระอาจารย์หลุยจันทสาโรซึ่งถึงแก่บรณภาพหลงเมื่อวันที่25ธันวาคม พุทธศักราช 2,532 และได้ทรงบำเพ็ญราชกุศลพร ะ, ะพราชทานมาเป็นลำดับนั้นว่าเป็นพระเทระศาวิปัสนาธุระที่เจริญด้วยสมนณัคุณบริบูรณ์ด้วยศิลาจารวัรยินดีในวิเวกสถานดำรงมั่นในวิเวการมเป็นนิจการทั้งเป็นผู้รอบรู้แตกฉานในศาสน ก, กิจเป็นกัลยาณมิตร ของสัพธรรมิกและเป็นขรุขฐานิยะอุคคลของศิทธยบริวารซึ่งเป็นเหตุให้ทรงพระชศธาพระสาธาและยกย่องนับถือบัดนี้ถึงคราวที่จะพระชฌ า, าเพลิมศบเป็นปัจฉิมมะวาระแห่งการพระชกุศลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าวโปรดกระม่อมให้จัดท์หนังสือชื่อจันทสารโรบูชาขึ้นพระชธ า, านเป็นนุศน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 อันจะพึงเกิดมีแต่วิทยฐานนี้แด่พระอาจารย์หลุยจันทสาโรและแก่ชนทั้งหลายที่ได้อ่านแล้วนำไปพิจารณาปฏิบัติตามกำลังศรัทธาของตนเพื่อเกิดความเจริญความอาสุกยิ่งขึ้นไปในชีวิตพระตำหนักจิตรดาระโหฐานวันที่23ามีนาคมพุทธศักราช5 3 3สา สำเร็จงานพระฐานเพิงศพแล้วได้พระจัดฐานอธิธาต์ขลุงปู่ให้คณะสิทธิ์เชิญใปประเิดฐานว่าเป็นการจูกล่าวหน้าที่ภักดค์สงกม .27 หลอกการสร้างเจดีเพื่อประจุปเป็นการถาวรต่อไปซึ่งท่านราชเลขาธิการได้มีหนังสือนมันสการมาอย่างประธานคณะกรรมการดำเนิน ง, งานจบคนลู่อันเชิญพระสกแส เกี่ยวกับการนำอธิษฐานหลวงปู่บําบัญญูกไว้ในพระเจดีย์ว่าควรสร้างเจดียด์ที่วัดป่าสุทาวาตอำเภอเมืองสกนงลนครประวัตินี้มีอธิษฐานของท่านพระจันมั่นท่านจะได้อยู่ใกล้กันและต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราานภาพร่างสีประหัรให้เป็นต้นแบบในการสร้างพระเจดีย์หลวงปู่หลุย จันทัาสาโรเป็นเจดีย์ที่มีลักษณะเรียบง่ายและได้สัสดส่วนงดงามตรงตรามที่ลูกผู้เคยปรับเราวไว้ว่าถ้าลูกศิษย์จะสร้างเจดีย์ของท่านก็ให้สร้างเป็นลักษณะเช่นนี้